เมื่อออกพรรษาแล้ว yeah. หลวงพ่อคงจะได้ไปประจำไปดูแลงานของหลวงปู่จามเพราะว่าหลวงปู่จามได้เลื่อนลงมาเนอะแต่ก่อนมันเป็นวันที่ส8 ม, มกราห้เจแต่ได้เลื่อนลงมาวันที่ห้า บระนางคณะสัตยาติโยมผู้ที่จะไปในงานพระราชทานสรีระของหลวงปู่จามก็เนี่ยะตามที่หลวงพ่อได้ประกาศหลวงพ่อเองก็ได้ประกาศไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็จวนจะออกพรรษาแล้วต่อไปนคงจะมีงานกระถินแล้ว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 เรืองผลที่ให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขมองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อมองเห็นแต่อีกเป็นรู ป, ปรธรรมแต่ น, นามรธรรมเหล่านี้น่ะที่ได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาสอนให้พวกเรารู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ให้รู้จักพกคุณของบิดามารดาไวยวุฒิคุณวุฒิรู้จักวางตัว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 บริษัทของเราก็คงจะร้อยล้อไปเรื่อยๆแต่บางคนก็มองแต่เน่มองแต่แง่แง่ลบไม่ได้งอมองแง่บวกมองแง่ลบเลยยังไงเออถ้าบำรุงไปแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นล่ะให้พระสงฆ์ไปแล้วก็ใช้พระสงฆ์ก็ใช้ไปในทางอิรุจูแชกแต่ตัวเองใช้ไปในทางอิรุจูแชไม่ถูกไม่ดูแต่คนอื่นใช้อิรุจูแชกไปนะดูแต่ตามไม่จริง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 ช่วยกันเสียสลับคนละมากคนละน้อยมีการกถินบา้างผ่าปลาบ้างจากนั้นครูบาอาจารย์ที่อยู่ภายในยกหลวงตาเป็นตัวอย่างตรงตามหาบัวเป็นตัวอย่างในเมื่อท่านได้มาแล้วคณะสัตธาญาติโยมขนอกเขารบถับถือเลื่อมใสท่านมากพี่น้องประชาชนก็ทําบุญกับท่านมากในเมื่อท่านได้มาแล้วท่านก็ไม่ได้เอาเข้ามาเป็นส่วนตัวของท่าน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 แต่สวนวิปัสนาธุระอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในป่าไม่ได้เร่เรียนลึกซึ้งออในใน ใ, ในเรื่องนั้นแต่ลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรแนะนําอย่างไรก็ลงมือนํามาปฏิบัติสมาธินะพวกท่านทั้งหลายให้นั่งสมาธิสมาธินะั้นเป็นยังไงพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพนั่นท่านนั่งอย่างไรจากนั้นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่ลั่นได้นำทำคำสอนสั่งสอนมาที่ท่านได้ปฏิบัติดูแล้วท่านได้ผลแล้วท่านมั่นใจแล้วท่านจะมาสอนเราแต่ว่าความมั่นใจของท่าน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 วิปัสนาธุระอะไรตัวไหสอนในภาคปฏิบัติเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งเป็นฝ่ายพระสงฆ์หรือฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็เหมือนกันให้พวกเราศึกษาถ้าศึกษาแล้วเราจะรู้ได้อันนี้คือส่วนลึกนี่นี่แหละพุทธบริษัทอย่างที่ว่ามีหลายระดับระดับล่างระดับกลางระดับสูงสุดเหมือนกับหมอหมอก็มีหลายระดับ ที่ศึกษามาหมอหูหมอตาหมอแต่ละทางแต่หมอภาพรวมก็มีรักษาได้หมดทุกอย่างแต่ไม่เก่งแต่จะให้เก่งต้องเรียนเฉพาะทางอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเรียนใครบวชเข้ามาเพราะพุทธศาสนาก็สอนหมดน่นะไม่ว่าคันถาทุระไม่ว่าวิปัสนาไม่ทุระไม่ว่าสัมมเดชไม่ว่าพระพอบวชเข้ามาเเกซ่าโลมานักฆ่าทันตาตะโจได้เรียนด้วยกันทั้งหมด ทั้งขันถาธุระทั้งพิปัจฉนาธุระแต่พอเรียนจบเข้ามาแล้วเนี่ยคันถาธุระก็เรียนทางอนุสาสตร์แปดอย่างนิสัยสีกรรไกรณยกิจสีปัจจัยเครื่องอาศัยของมันประชิดเรียกนิสัยมีสีเที่ยวบินทบาดนุ่งโหมผ้าบางสกุลอยู่โคนต้นไม้ฉันยารองด้วยน้ำมูดเน่าอันนี้คือกิจของพระฮะอันนี้ก็คือปริยัตปริยัติละที่ท่องเนื้อว่าคันถาธุระท่องบนสาธยายเออ แต่ในนีพังฝ่ายปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าบวชเข้ามาแล้วทําตนอย่างไรบินทบาทหนึ่งคือชีวิตของพระเนี่ยให้มักน้อยสันโดดอย่างไรเที่ยวบินทบาทฉันถ้าท่านยังฉันอาหารอยู่ท่านต้องเที่ยวบินทบาทท่านอย่ากขี้เกียจ ต, ต้องถือธูดงต้องเที่ยวบินทบาทหนึ่งการใช้สิ่งของของท่านใช้ผ้า ใช้ผ้าบังสกุลหนึ่งคือผ้าที่เขาตกเลี่ยราดท่านอย่าไปแผ่ไปขอไปยินดีในของหรูหรืละลาผ้าเนี่ยที่เขาเก็บมาถ้ามันมีของรหรูหลามาเออใช้ถ้าท่านไม่มีมาก็ใช้ผ้าที่เขาตกหล่นตามถนนหนทางตามปา่าดงเอามาเย็บมาประติดประต่อให้เป็นผ้า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 ผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเที่ยวบินธบาตรหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่ง <Hey. S 1> ฉันยารองด้วยน้ํามูดเน่าหนึ่งเ <Hey. S 1> ที่ยวบินธบาตรหนึ่ง <Hey. S 1> นุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคลนต้นไม้หนึ่งฉันยารองด้วยน้ํำมูดเน่าหนึ่งนี่นี่แหละว่าปัจจัยสี่ของพระสงฆ์จากนั้นวิธีการคิดให้พระสงฆ์เหล่านี้คิดอย่างไรนี่นี่แหละ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 ในการบวชของท่านในการบวชของพระสงฆ์ท่านเน้นหนักเรื่องอะไรแต่ในพวระองค์ก็สอนเลยทีเดียวสินสมาธิปัญญาท่านเน้นหนักเรื่องสินศินคือรักษากายวายใให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสินมีอะไรศินก็คือ2องยยีสิบขาบทชื่อเป็นลวกรั้วกัน้นไม่ไปในทางที่ชั่ว อันนี้คือของพระสงฆ์2 2 7สมาธิสมาธิทำยังไงสมาธิคือทำใจให้จิตใจมั่นคงทำให้จิตใจเป็นหนึ่งกำหนดอะไรที่จะจะเป็นสมาธิได้ไม่ใช่ว่าปุบปับก็มาเป็นสมาธิเลยไม่ใช่จะทำยังไงจึงจิตใจจึ ง, จ, งจะเป็นสมาธิให้กำหนดอะไรให้ทำยังไงดังันว่าก่อนที่พวกท่านทั้งหลายไปบินธบัตกลับมาแล้วมาฉันแล้ว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 จะอยูโชวฟ้าตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจนี่เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้เนี่ยกายกับใจใจกับกายนามธรรมกับรูปธ ร, รรมรูปธ ร, รรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้ตัวนึกคิดตัวนึ ก, ต, นกตัวนึกคิดนี่นะอันน้คือนามธรรมแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญ เรื่องนามธรรมามากกว่ารูปธรรมให้ความสําคัญมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อเคยยกแล้วยกเอีกว่ามโนปุพังขมาธรรมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแล้วหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังให้ชัดเอว่ารูปธรรมคือร่างกายรูปธรรมคือรถนามธรรมาคือคนขับรถรถกับคนขับรถอถ้าว่าร่างกายมันอยู่เฉยเฉยถ้าว่าคนขับ ร, ร่างใจไม่เข้าไปอยู่ ไปไปบริหารไม่รับรู้ใจออกจากร่างใชรถคันนี้ก็หมดสภาพเพราะนั้นพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญว่าเรื่องทั้งหลายโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์ถ้าว่าโซเฟอร์เป็นคนเกเรเป็นคนชั่วรถคันนี้ก็ชั่วไปด้วยเฮ้โซเฟอร์ขึ้นไปขบับรถก็เยียบด่าไปเลยชนดะไปเลย บีบแกด่าไป ท, ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะเหตุไรเพวกคนโซเฟอร์มันเกเรโซเฟอร์มันเมาเหล้าโซเฟอร์เป็นคนชั่วเนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันถ้าโซเฟอร์แล้วใจของเราเป็นเป็นนักเลงเป็นอันตพานไม่ได้รับรการอบรมใจไม่มีศีลไม่ไม่ไมีธรร ม, ม, มกายตัว น, นี้ก็ไม่ไปชั่วไปด้วยเหมือนกันเพราะนั้นท่านให้ความสาคัญเรื่องของใจมากกว่า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 เห็นอันใจังทุกขังอนัตตาเกิดความเบื่อหน่ายคลายและก็เบื่อหน่ายคลายนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจของเราจะดุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอันนั้นคือจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาจุดประสงค์ของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพรดฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีการทํามาหาเลี้ยงชีพก็อยาได้ประมาท ดออีอย่าให้อ่อนข้อกับโรคของเขาเไม่ใช่ว่าเรานับถือพระพุทธศาสนาแล้วมีแต่กระต๊อบกระแ ต, บ ก, ะตบกระท่อมห้อมหอมีแต่ลังคางูย่าไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเทอนให้พวกเราอ่อนมืออ่อนเท้านะแข็งขันเครดดีทดําดีพูดดีมันขยันอดทนอุตสานะสมปทาให้พร้อมด้วยความหมั่นความขยนัน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 ถ้าอยู่ประเดี๋ยวประดาเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็โอ้พูดจาเพราะพิงละเกินอแล้วก็ถลามเข้าไปเพอเอร์แล้วท่าเราใส่สร้อยสแวนเข้าไปแล้วเขาเอามีดเฉิอนคอได้ง่ายๆฮะโอ้โหตายข้ารู้ว่าเขาเป็นคนดีฮะรู้ได้เพียงประเดี๋ยวประดาเนี่ยแหละถ้าเราอยู่ด้วยกันนานในสิ่งที่ชั่วเขาจะต้องแพลมึงเอ้ยผมเคยทําชั่วมายุ่งว่าอย่างนี้แล้วนะเราโอ้ตายต้องระวังนั่นเนี่ยนี่แหละอันนี้แหละคือ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 น, นิสมมะกรนังเสออยโยไข้ควรทุกสิ่งทุกอย่างไปนาจสถานที่ใดอยู่นาจสถานที่ใดอยู่ด้วยความรอบครอบนั่นแหละลมเย็นเป็นสุขต่อ น, นี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร